2. ทุติยะอนิยตสิกขาบทว่าด้วยการนั่งในที่รับหูกับหญิงสองต่อสองเรื่องพระอุทายี452สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบิธิกาเศษรษฐีเขตภุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุทายีคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามการนั่งบนอาศนะที่กำบังในที่รับ พอจะทำการได้กับมาทุคามสองต่อสองจึงนั่งเจรจากล่าวทมเหมาะแก่การกับหญิงสาวคนเดิม